เกิดจากการอบรมเกิดจากกล่อมเกลาและขัดเกล้าเนี่ยนะกล่อมเกล้าให้จิตเป็นกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปขัดเกล้าจากบาปและอะกุศลธรรมทั้งหลายฉนั้นถ้าเราสามารถคิดถึงศีลให้บ่อยๆเนี่ยเรียกว่ามีทรัพย์คือศีลมันก่อนเน้นคือทรัพย์คือศรัทธา ม, มากเลวันนี้ก็บอกว่าทรัพย์คือศีลเพราะศีลทรัพย์คือศีล น, นี่แหละคือทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าประทานให้ บอกว่านี่คือมรดกของพระองค์ที่บำเพ็ญบารมีมาสีอสงไขยเสนกับพระองค์เห็นแล้วว่าศีล น, นี่แหละจะตัวทํำให้พ้นจากทุกข์แต่ศีลก็เป็นบาทของส ม, มถะและวิปัสสนาบอกว่าธรรมะที่นําเอามาใช้ได้ก็หมายถึงธรรมะทั้งที่เป็นส ม, มถะและวิปัสสนาเขาบอกว่าถ้าใช้คําว่าธรรม ะ, ะธรรมะที่นําเอามาใช้ได้อย่างเนี้ยแปลว่าส ม, มถะนะหมายถึงองค์มรรคหกข้อวิปัสสนาในองค์มรรคสองข้อ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นมร์เออเข้าไปเป็นวิปัสนาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นวิปัสนาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะหกข้อหลังเป็นสมถะเพราะฉะนั้นมร์แปดก็เขาเรียกว่าสมถะแลวิปัสนาทั้งหลายเนี่ยนะมร์แปดคือสมถะวิปัสนาถ้าย่อให้มามันก็ศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันต สมถะหรือวิปสมาธิก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้ก็คือมักแตกมักแตกเนี่ยนะแปรย่อลงมาเหลือสมถะวิปัสสนาแค่สองก็ได้ย่อลงมาเหลือเฉพาะอะไรศีล ส, สมาธิปัญญาก็ได้สามารถย่อดได้ขยายได้แต่รายละเอียดก็คือสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้น มัดแปดนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่สามารถนำเอามาใช้ปฏิบัติได้และผู้ปฏิบัติตามนั้นพ้นจากทุกจริ ง, งนะนะพ้นจากทุกจริงแต่ที่สําคัญที่สุดบอกว่าเอตัวเองไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติและทํานิดๆหน่อยๆแล้วบอกโอ้ยทําไมไม่เห็นพ้นจากทุกอะไรเลยเนี่ยนะถ้าอย่างนี้มันก็ไม่คู่ควรแล้วบางั้ท่านธรรมะนนี้ท่านใช้คําว่าปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแกร่โลกุตระธรรมนั่นแหละจึงจะได้ผล ทนี้ศีลเนี่ยนะศีลทั้งหลายศีลศีลถ้าพูดตังใครที่เรียนอภิธรรมมาบอกศีลคืออโทสะสมาธิคืออโลภาปัญญาคืออะโมหะเนี่ยนะเพราะนั้นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเน้นอะโทสะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเน้นอะโลพาสัมมาอัติถิิสัมมาสังกัปปะเน้นอะโมหะอะตัวนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าปฏิเสธธรรมนาแปลว่าข่าศึกหรือศัตรูหรือผู้ฆ่า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 ความมืดความดีเป็นตัวมากำจัดความชั่วนะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ถ้าแปลแค่ปฏิเสธเฉยๆไม่ใช่นะไม่ใช่ความหมายของพระพุทธเจ้าสอนความหมายที่พระพุทธเจ้าแนะนำอะโลภาหมายถึงตัวกำจัดความโลภอะโทสะตัวกำจัดความโกรธอะโมหะเป็นตัวกำจัดความหลงความงูกเขาทั้งหลายเหมือนอย่างว่าโมหะเหมือนความมืดอะโมหะก็เหมือนกับ แสงสว่างเนี่ยนะเป็นตัวที่เรียกว่าปฏิปักเป็นตัวกําจัดมันศีลสมาธิปัญญาก็คืออะโลพะอะโทสะโมหะคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ถ้าผู้มีบุญทั้งหลายทําไม่ยากเจริญไม่ยากแทบเดียวเขาก็ตรัสรู้ได้เขาก็เห็นอริยสัจได้แต่ถ้าหากว่าคนที่บุญน้อยสั่งสมบุญมาน้อยมันก็มีทางเดียวก็คือเพราะเมล็ดพันธุ์อโลภาอโทสะโมหะลงในในใจตัวเองก่อนแม้เกิดมาแตใจนี่ไม่เคย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 อันนี้ก็แปลว่าเราเนี่ยบุญน้อยแล้วล่ะรู้เลยว่าเราเนี่ยบุญน้อยสั่งสมคือคื อ, คอบุญมากบุญน้อยก็วัดกันที่คุณภาพจิตคุณภาพจิตจิตเนี่ยเรียกว่าแบ่งตามภูมิเนี่ยนะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลจิตระดับดีระดับชั่วระดับปานกลางวัดกันที่คุณภาพจิตมันเช็คตรวจสอบหลายๆอย่างเลยนะน้อมไปจะโกรธหรือน้อมไปเพื่อไม่โกรธ วุ้ยเป็นท่นดาเราหรอกเห็นหน้าก็โกรธแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องเราไม่ได้เป็นคนอัธยาศัยดีแปลว่าสั่งสมมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทํายังไงจะให้สิ่งที่ดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจเพราะั้นการสร้างอริยทรัพย์ก็คือสร้างคุณธรรมลงที่จิตใจเนี่ยนะสร้างอริยทรัพย์คือดังที่กล่าวไปแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาลงที่จิตใจผู้ที่สามารถขยายจแจก แ, แจงรายละเอียดเพิ่มเ พ, มเพมิเพิ่มพูนคุณธรรม เพิ่มพูนโพธิปักจะธรรมธรรมที่นําให้เกิดการตรัสรู้คุณธรรมเหล่านี้ที่อยู่ในใจของเราทั้งหลายคือทอํายังไงจะสร้างจิตนะคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับจิตสร้างคุณธรรมคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานยึดทีบาทอินทรีประละโทษชงองค์มรคเนี่ยเกิดในจิตคุณธรรมเหล่านี้แหละที่พระพุทธเจ้าเรียกว่านิยานิกธรรมธรรมที่นําออกจากทุกเพราะว่าความหลุดพ้นเนี่ยหลุดพ้นจากที่ไหนจากใจเป็นอย่างยิ่ง การบรรลุมรคผลบรรลุที่ใจเพราะนทํำยังไงใจของเราจะน้อมไปเพื่อบรรลุมรคผลอย่างนั้นต้องสร้างคุณธรรมให้ขึ้นเกิดขึ้นในใจแต่ทั้งนั้นทนั้นทงนี้ก็ต้องมีข้อมูลมีองค์ประกอบที่จะสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นที่ใจได้ก็คือการศึกษาการฟังเป็นต้นกับการโยนิโสมนัสิการการใคร้ครวญบ่อ ย, อยๆคุณธรรมเหล่านี้ก็จะค่อยๆเกิดขึ้นที่ใจแล้วเอาเพิ่มพูนคุณธรรมเหล่านี้ จากธรรมดาจากกุศลเล็กๆน้อยๆที่ไม่ค่อยจะเกิดให้มันเกิดบ่อยๆทำยังไงให้กุศณธรรมเหล่าเนี้ยเกิดบ่อยๆในใจของเราโยมเล่าอะไรนะบอกถ้าโกรธบ่อยๆทําไม่ยากแต่ถ้าหากว่าเมตตาบ่อยๆทํายากว่างั้นนะเออทายัางไงให้มันตรงกันข้ามอนะให้มันโกรธยากยากแต่เมตตานี่ง่ายง่ายเนี่ยนะแต่เขามีหลักการนะพงศ์บอกว่าคนดีทําดีเอคนชั่วนะทําดียาก คนดีทําชั่วยากนะมันก็แปลว่าถ้าเราบอกแม้ความดีเกิดยากแสดงว่าเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะก็ย่าเข้าข้างตัวเองมาแหมดีดีเนี่ยนะเทพประบุเทพพัทพิดามาเกิดแตอจัจฉริหมดบุญแ ล, ะละ้วนละ่ะอดีตเคยเป็นเหมือนกนเถอะถ้าโทสะเออแต่เกิดได้นะฮะ นึกเมื่อไรก็โกรธทุกทีเลยนะนึกเมื่อไร่ก็ไม่สบายใจทุกครั้งเลยนะเว้ยไม่สบายเรื่องไม่สบายใจมาเป็นเดือนๆแล้วนะทำไมทําได้ใช่ไหมแต่เจริญกรรมฐานเนี่ยให้มันต่อเนื่องกรุ่นอยู่แบบนั้นเหมือนกับความโกรธใครสักคนหนึ่งกันนะนึกเมื่อไหรก็โกรธเนี่ยนะบอกแบบแบบแบบอะไรนะกดปุ๊บปิดปั๊บเลยนะคล้ายๆแบบนั้นนะเมื่อไหรนะนะเมื่อไรแบบอะไรนะโลบเป็นวันๆในโลบบ่อยๆเนี่ยมีไหยโยมว่ามีไหมเคยคิดถึงใครบ้างไหม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 ถ้าโมหะบอกเกิดมาลืมตาเกิดม า, มดมาไม่เคยเห็นอริยสัจเลยแสดงว่าโอ้โหรักษาอะไรนะถ้าแทแห่งโมหะได้เป็นอย่างดีมันก็นี่แต่ถ้ามาเจริญสิ่งที่ตรงกันข้ามทำยังไงให้คุณธรรมเหล่านี้เกิดบ่อยๆเกิดเยอะๆเกิ ด, ก ด, ก ด, ก ด, กดที่จิตใจเนี่ยนะแล้วเป็ น, เ ป, นเป็นคุณธรรมพระพุทธเจ้านั้นที่บอกว่าตรัสรู้ธรรมที่นาออกจากทุกเนี่ยนะเขามีอ่ทวนอีกครั้งหนึ่งว่า พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโูกนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์เป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศานะนั่นคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนทวนอีกครั้งหนึ่งนะ และพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์แต่ว่าเป็นคุณธรรมที่นําออกจากทุกข์เปรียบเหมือนอะไเหมือนเรือนําข้ามฟากานําข้ามจากที่หนึ่งสู่ที่1เหมือนรถนําออกจากที่หนึ่งไปสูส่ที่1เหมือนกับสะพานเชื่อมจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสะพานก็ได้เสตุคาตะเนี eter, ่ยเสตุเขาเรียกว่าสะพานอริยมรคเนี่ยก็คือสะพานเป็นเหมือนกับสะพานข้ามจากวัตะสุวิวัตะ ข้ามจากสังคตะสู่อสังคตะนะอริยมรรคของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นนาวาก็ได้เป็นเหมือนกับเรือฟ้างาพาข้ามจากณที่ตรงนี้ถึงที่ตรงโน้นโอฆาคืออากุศลเนี่ยนะหรือเป็นเหมือนกับยา น, นะยานที่นําให้ถึงสถานที่กเกษมและปลอดภัยก็ได้คุณธรรมเหล่านี้ที่พระองค์ค้นพบเลือกเฟ้นเขาเรียกว่าวิจัยพระองค์วิจัยจนเห็นเลยวันนี้ทุก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 หรือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่ง <wand> <étaient> ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นที่ตั้งแห่งความโศกความร่ําไรรําพันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายกายเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจเป็นที่ตั้งแห่งความคับแค้นใจทั้งหลายนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละคือตัวทุกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละคือตัวทุกพระองค์วิจัยเลือกเฟ้นเห็นแล้วสาเหตุแห่งทุกเหล่านี้ล่ะนะอ่า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 นี่เขาทำไงพอตอนแรกๆก็อย่างว่านะก็พอเขาสมความปรารถนาแล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็ใช้ศอกบ้างเลี้ยงนะใช้ศอกบ้างใช้เข่าบ้างมันถลอกอกเปิกหน้าบวชหน้าบวมไปหมดเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยสบายเนี่ยนะพ่อแม่มารับกลับบอกกลับไม่ได้ต้องอยู่ให้เขาซ้อมต่อไปในที่สุดกลายเป็นโรคจิตไปเลย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 ก็เขามีครอบครัวมีมีอะไรไปแล้วตัวเองก็ถึงกับว่าก็ทุกข์ในที่สุดก็เข้าโรงพยาบาลตอนนี้ก็ไม่ทราบชะตากรรมชีวิตเป็นยังไงนะเนี่ยเกิดเมื่อหลายปีก่อนนั่นนะแล้วมีอีกหลายคนเนี่ยนะที่ไปเจ็บปวดก็คล้ายๆแบบเนี้ยเพราะเห็นว่าน่าจะได้รับความหวานชื่นสมมุติว่าใครเคยขึ้นไปต้นมะม่วงอ่ะเพจนี้มะม่วงมันเยอะตามเคยขึ้นไหมต้นมะม่วงมันมีลูกมะม่วงสุกอยู่บนยอดแล้วมดแดงทั้งต้นเลยอ่ะ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 นมน้อยอะสิความมันเหลือน้อยเข้าไปทุกทีทุกทีทุกทีมันมีแต่เสียหายกว่านี้วันนี้สุขภาพดีแล้วดีใจเถอะพรุ่งนี้มันอาจจะแยก่กว่าวันนี้ก็ได้เห็นไหมยิ่งปีข้างหน้าด้วยเนี่ยนะโอ้โหไม่แน่นะเพราะมันแก่ไปอีกปีหนึ่งแนละ้วอะไระไรละ่ะอย่างเนี่ย น, นะเสื่อมโทมหย่อนยานหมดเว้นแต่หูตึงขึ้นตึงขึ้นเนี่ยฮะตั้งหลายครั้งเนี่ยกว่าจะได้ยินเนี่ยหูมันตึงตึงตึงตึงอย่างเอืเ น, นี่เสียหายหมดแล้วต้องไปทำํำศัลยกรรมหมดแล้ว มันก็นก็เป็นอย่างนีน้มันก็มีปัญหาไปหมดเลยนะแต่ก็ยังคาดหวังว่ามันน่าจะดีขึ้นพรุ่งนี้น่าจะดีกว่าวันนี้นะหลอกตัวเองตลอดเลยนะเอ๊มันกลับหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยนะเอ๊พรุ่งนี้สุขภาพน่าจะดีขึ้นแกล้งปลอบใจตัวเองม้างมันจะดีขึ้นดีขึ้นอพอพูดทิ้คิดถึงคําของพระพุทธเจ้าเอ๊มันไม่ดีขึ้นนะพอามาหลอกตัวเองต่อแหมมันน่าจะหา ย, หายนะมั น, นก็ก็ปลื้มใจมันก็เป็นลักษณะนั้นพันสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ก็คืออะไรก็ความชอบใจใน ทุกนั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกก็เราชอบสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดานั่นแหละเราจึงต้องเกิดอีกบางคนก็บอกเขาเลิกชอบแล้วอาหารอร่อยไหมอร่อยอ น, นะมีอะไรน่าเบื่อหน่ า, บ า, นายบ้างไหมคิดว่าน่าจะเบื่อหน่ายนะแต่ตอนนี้ยังถ้าโอ้ ย, อยางงี้อีกนานอย่งนั้นเถอะถ้าไม่มีวี่แววเลยจะบรรลุได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้ายังยินดีในทุกเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่จะพ้นทุกนะ ไม่ใช่ฐานะที่จะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยอทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ก็คือความยินดีในกองทุกข์นั่นแหละความเพลิดเพลินกับทุกข์นั่นแหละมันจึงมันจึงเป็นทุกข์เนี่ยนะอย่างคล้ายๆกับบอกว่าบางคนเนี่ยเคยเกิดมาดื่มเหล้าเนี่ยโอ้ยเมา อ, อาเจียนโอ๊ยเสร็จแล้วบอกว่าสาเหตุเป็นอย่างนี้ก็คืออะไรก็ชอบน้ําเมาไงพอหายปั๊บไปดื่มต่ออีกเขาเขาเป็นอย่างเนี้ตลอดเวลาแล้วเขาเมื่อไหร่มันจะเลิอกอาเจียนเลิกทุกข์แบบนี้บอกไม่ได้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 ฝากโน้นนำออกจากกองทุกขเพื่อให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับทุกพระนิพพานเป็นที่ดับทุกขพระนิพพานเป็นธรรมที่สงบทุกเนี่ยนะเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรเป็นที่สงังเป็นที่สางแห่งความเมาเป็นที่สงบระงับเป็นที่ดับสังขารเนี่ยนะเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเจริญคุณธรรมเหล่านี้พระองค์ก็เจริญอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาแทงตลอดพระนิพพาน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 ว่าจะทำเหมือนกันนะเนี่ยว่าจะนะไม่ยอมตายนะว่าจะแล้วหลายครั้งมากนะยังตายเข้าาแล้วนะว่าจะว่าจะก็เลยไม่ได้สักทีเนี่ยนะประเภทว่าจะว่าจะศีลดีไหมดีเอาไห ม, มโยมอดบวช ด, ดีไหมบอกดีบวชไหมเรื่องมันยาวเลยเรื่องมันยาวนะ <c oughs> บอกไม่ได้บวชหรอกตอนนี้อยู่วัดอยู่แล้วบอกวัดไหนบอกวัดตะกนะอยู่ในวัดตะอยู่แล้วอย่างั้นอยู่ในวังน้ำมนอยู่แล้ว หลายคนเนี่ยถามเพิถามเรื่องเรื่องบวชดีไหมบอกดีมากครับปุ้ยอย่างนั้นนี้บวชเลยไหมบอกเพิ่งศึกมาทุกคนก็จะเป็นลักษณะเนี่ยนะบอกศีลสมาธิปัญญาดีไหมถามว่าโกรธกับไม่โกรธไหนดีกว่ากันไม่โกรธดีกว่าตอนถ้ามันมีเหตุการณ์ขึ้นเลือกโกรธหรือเลือกไม่โกรธก็เลือกไม่โกรธเลือกโกรธนั่นเองนะบอกโลภกับไม่โลภไหนดีกว่าันไม่โลภดีกว่าถ้าเห็นของที่เราชอบเราเลือกโลภหรือไม่โลภเอกโลภนั่นเอง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 ปรมาณอยู่ครั้งหนึ่งอยู่ตรงนี้ยืนนะอยู่ตรงนี้คุยกับอาจารย์สมบัติทำโน่นไหมเอออาจารย์ครับเดี๋ยวผมขออย่างนั้นเอ้ยเรื่องนี้ทำเป็นรอบครอบกําลังนั้นที่เรื่องอื่นนะแหมเราเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยนะ่เรื่องนี้ทำเป็นรอบครอบกํนนะออ า, าลัาลาลนะงนั้ท น, นนะทำเป็นฉลาดขึ้นมากําลนะังนั้นอันนี้ก็ลักษณะนั้นบางทีนะเอยเราก็มาคิดดูว่าเ อ, อชีวิตของเราเนี่ยไปยังไงถ้าหากว่าเราไม่สามารถเจริญคุณธรรมตามพระพุทธเจ้าได้อนี้ทุกแน่นอนเชื่อเถอะ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 เช่นว่าคนที่มีศรัท ธ, ธาในอในสติปัฏฐานเป็นต้นก็คืออยากจิตตัวเองอยากให้จิตเป็นสติปัฏฐานเรียกว่ามีศรัท ธ, ธาคําว่ามีศรัท ธ, ธามันก็เหมือนเห็นคนมีรถและอยากได้รถบ้างลักษณะนั้นเรียกว่าคนมีศรัท ธ, ธาชั้นใดถ้าเรามีศรัท ธ, ธาในพระอริยเจ้าทั้งหลายหรือศรัท ธ, ธาในธรรมของพระพุทธเจ้าจริงนะเราต้องน้อมไปเพื่อความเป็นพระโสุดาบันนั่นแหละเรียกว่ามีศรัท ธ, ธาเพราะสัตธินรีเพิงเห็นได้ที่ไหน เห็นได้ในโสตาปฏิยังฆาตธรข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันนั่นแหละคือเป็นเครื่องสำรวจตรวจสอบว่าเป็นผู้มีศรัทธาไหมเพราะถ้าเราถขาบอกว่าฉันมีศรัทธาในพระรัตนตรัยมากเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมและเชื่อพระสงฆ์ถามจริงๆครับคิดจะเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่นะนะเอาใครมาเชื่อ ด, ดีเชื่อใครดีนะตุ้เกียนคิดจะเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่กัน บอกเอาคำถานี้พระโสดาบันเป็นแล้วดีไหมบอกดีคิดว่าจะเป็นเมื่อไหร่สมัยนะั <c> ้น <oughs> <c oughs> เต้องดูเหมือนกันนะเอออยากจะเป็นพระโสดาบันเขาบอกว่าพูดนิยามของคําว่ามีศรัทธาในพระรัตนตรายคือน้อมไปเพื่อตัวเองเนี่ยอยากเป็นพระโสดาบันเป็นเป็นสาขาคามีเป็นอนาคามีเป็นพผ้าฐานนะ่ะอย่างนั้นแหล ะ, ะเรียกว่าเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าและเลื่อมสายในพระธรรมที่ตรัสรู้น้อมไปเพื่อที่จะรู้แบบนั้นบ้าง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 คือธรรมะก็เรียกว่าธรรมะจะอยู่กับผู้ที่เขาประพฤติธรรมธรรมะยินดีที่จะอยู่กับผู้ที่ประพฤติธรรมถ้าเรามีใจที่จะประพฤติธรรมตอนตอน้นทําไม่ได้แน่นอนเพราะว่าบุคคลทั้งหลายผู้เกิดมาในโลกไม่มีใครทําได้ทันทีเลย <c oughs> ก็มีใจน้อมไปในที่สุดก็จะเริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นเนี่ยนะเะฉั้นทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่ได้เกิดจากว่าเอามพรสวรรค์เกิดมาปุ๊บทาได้ปั๊บเลยอะไรนะไม่ใช่แบบว่าคลอดมาปุ๊บวิ่งเลยเลยจู้ดเลยนะ ถ้าเกิดได้ปุ๊บข้า อ, อย่างมากก็เดินค่อยๆเดินก่อนเนี่ยแค่นั้นนหะเพราะันทุกเรื่องเกิดจากการฝึกหัดขึ้นมาทั้งนั้นคุณธรรมทั้งหลายคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานเนี่ยนะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอย่างพระไตรปิฎกเป็นตู้ๆเลยนะสาระของคําสอนทั้งหมดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่าเจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิธิบาทอินทรียพร ะ, ะโพชฌงและองค์มักนั่นแหละคือคือพระองค์ต้องการให้เรามีสิ่งเหล่านี้พระองค์เลยสอนมากมายพูดมากมายพูดเยอะแยะเลยนะ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 พระที่ทรงพระไตรปิฎกจริงๆไม่มากแต่ผู้ที่บรรลุธรรมไม่ได้แปลว่าต้องทรงพระไตรปิฎกทั้งหมดอย่างอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายสมัยพุทธกาลเขาก็รู้เห็นธรรมแต่ไม่ได้เขาไม่ได้ทรงพระไตรปิฎกเพราะเขารู้สาระของพระไตรปิฎกคืออะไรก็คือการเพิ่มพูนอธิศีลอธิ จ, จิตและอธิปัญญาซึ่งคุณธรรมเหล่านี้แหละที่พระองค์บอกว่า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 ตถาคตเนี่ยนะนับตั้งแต่วันตรัสรู้จนถึงปรินิพานนั่นนะตั้งแต่แรกตรัสรู้จนถึงพระนิพานธรรมะเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นสวัส ข, ขาโตตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพิงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นธรรมที่วินยูชนก็พึงรู้ได้เฉพาะตน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 แต่ถ้าคําสอนที่ผิดพลาดทําไงวะถ้าอยู่เฉยๆและสบายถ้าทําแล้วเดือดร้อนอันนี้ไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้าคําสอนพระพุทธเจ้าถ้าทําตามสบายอย่างเดียวมีความสุขอย่างเดียวแต่ถ้าละเมิดเมื่อไหร่เดือดร้อนนะเพราะอะไรเพราะเป็นคําสอนที่ดีและถูกต้องนะถ้าตั้งแต่ระดับล่างๆย่างดีขนาดนี้แล้วระดับต่อๆไปอันนี้ก็เป็นคุณของพระพุทธเจ้านะถ้าหากว่าพระองค์ไม่สั่งสมบุญมาขนาดนี้ไม่สร้างบารมีมาตลอด